ع و ذ ب ا ل ل ه من الشّيطان الرّجيم ويقولون متاها الوعد م ويقولون متاها الوعد إن كنتم صالقين la no. roble อัล์มรรฮมอินน ال ฮะมดุลลฮนะ์มดุฮ ا س ت ع ن و ه و ف ر ذ ل ه من ش و ر ن ا ومن س ي ع م ل ن ا الله فلا مضل ه و يضل ف د له ا ل ل ه ش ي ك د م ح ب د و ر س اللهم ب ِ ك um nah a bikah أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ الْهِتَّاماتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ب س م ِ ا ل ل ه ِ الَّذِي لَا ي َ د ُ ر ُ و مَا عَسْمِهِ ش َ ي ْ ئ ُ م فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ ا ل ْ ع َ ل ِ ي ُ رضيت بالله ربا َ وبالاسلام وب دينا وبمحمد َ الرسولا اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه วรรดาตนเองวิจินะอรรถตัวและคำพูดขอ السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته พี่น้องที่รักท้งหลายครับพี่น้องที่ร่วมนมัสารุภที่มัสยิดของล l l a h ดความเมตตาของอ l l a h سبحانه และ تعالى นะครับที่ Allah ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ลาฮาบุลเลลานะครับ ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาตื่นนอนมาเนี่ยเขานึกถึงอัลลอ์ก่อนเวลานึกถึงอัลล์เนี่ยให้กราบเช่นอัลลอุมาบิกะอับะฮนาวบิกะอัมนาวบิกะนะฮยาอัลล์มช่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอะยานาบดมอมตนาวยลาินูชนี่ผู้ศรัทธาต่ออัลล์เนี่ยเขายงกับอัลล์ ตอนจะนอนก็อาบน้ำน้ำาบก่อนแปรงฟันก่อนแล้วก็ตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าแล้วก็ อ, าอ่านสามกุลแล้วก็ตามด้วยอยายะคุลสีตามด้วยอามันรอรุสูหรบีมาอุจิไลเลหิมิ ร, รบีวันมุมินูนตามด้วยสุบฮานอัลลอฮฺสาครั้งอัลลฮฺมุลลิลลาห์สาครั้งอัลลอฮฺอัลบัดอีก34ครั้งแล้วก็ เอามือจับแก้มขวานอนตะแคงขวาพร้อมกับดวงอาเนี่ยคนมุสลิมเขาทำแต่คนกาเฟร์เขาไม่รู้เพราะเขาไม่เชื่อกุรานไม่เชื่อมุฮัมมัดไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อสุนันนบี ไม่เชื่อวันสิ้นโลกไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นมารับรางวัลตอบแทนที่ทําความดีบนโลกดุนยาไปนี้ชีวิตก็เลยต่างกันเยอะขอบคุณออลละฮ์นะพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงอายาที่ยี่สิดนะครับอายาที่ยี่สิดเนี่ยออลลอฮ์เล่าให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังอีกเล่าว่าไงนะ ว, ا أ ว่ามา arsenal กาอิลล่ากาฟัตต์ลินน่าสิบาชิรวานาดีรอเพราะว่าอัลลอฮ์นี่มาถึงเราเนี่ยไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมานเพื่ออื่นใดเราไม่ได้แต่งตั้งแต่งตั้งท่านมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาไรนะบาชิรอนมาแจ้งข่าวดีวานาซีรอนแล้วก็มาเตือน ให้เลิกทำความชั่วมาเตือนใครอ่ะกาฟตัน ล, ลินนาสมนุษย์ทั้งหมดอย่าไปเข้าใจว่าอิสลามมูฮัมห uh มนะัดเนี่ยมาสอนเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวนะไม่ใช่สอนคนทั้งโลกเลยกาฟตัน ล, ลินนาสวันนี้นบีเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วสวสาบานบีพูดที่ปฏิบัติตามนาบีจริงๆ ที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ดูตัวอย่างสุฮาบบะฮ์นบีเป็นแบบนะเพราะเขาอยู่กับนบีก็เป็นคนดีเนี่ยวันนี้บรรดาสุฮาบบะฮ์ก็กลับไปหาอัลลอฮ์ก็หมดแล้วเหลือแต่พวกเราวันเนี้รนเราก็ต้องรับหน้าที่เพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นอุมมาของนบีมาต้องรับหน้าที่ดูแลาศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปแล้วก็ไม่มีเงินเดือนให้นะ <c ười> คนทำงานศาสน า, าเนี่เงินเดือนไม่มีนะเอาหวังจากใครอ่ะ หวังจากอัลลอฮ์เลี้ยงลูก<ด>ให้โตเนี่ยหวังรางวัลจากใครอัลลอฮ์สามีดูแลภรรยาให้ดีหวังรางวัลจากใครอัลลอฮ์นี่อิสลามสอนอัลลอฮ์อักบาดนะให้เราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาาะหูอัตานะอัลฮัมดุลิลละเวลากินอักซารอนนะเซลายะเลมุนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้เนะี่ยไม่รู้ เมื่อาทตี่แล้วผมก็อธิบายท่านพี่น้องฟังบอกว่าอ่านอ่นอ่า น, น, นุรานนะละหูโมอัติบาต ah ah ุนมินไบเนียไดฮิวะมินขัลฟียัฟฟารูนะหูมินอัมริลประกาศอธิบายว่านี่ทุกคนนี่นะมีอิบลิสบิซัยตอรเฝ้าเราอยู่หนึ่งตัวอิบลิสกี่ตัวนะตัวเดียวมีมาลายิกากี่ท่าน ห้าละหูเนี่ยร อ, อ บ, บว ก, กับนบีนะสำหรับนบีและคนทั้งหมดในโลกนี่แหละอัลลอฮ์ส่งมล า, ายิกาเนี่ยมาดูแลท่านเนี่ยมีเวนอ่ามัอักตีบาตุนบปว่ามีเวนเฝ้าติดตามท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะเดินไปไหนมาไหนนี่มีมล า, ายิกาห้าองค์นะซ้ายขวาที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมล่ะ กิอมังกาทีบีมันทึกมาเลก์กาอยู่ขวามือบันทึกแต่เรื่องดีดีดีดีดที่อยู่ซ้ายมือบันทึกแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีที่เราทำนี่แหละอญญาย่านี้ต้องการจะบอกว่าใบในัยยไดฮีข้างหน้านาบีก็มีอีกนะข้างหน้าพวกเราวันนี้มีมาเลก์กาอยู่อีกนะองค์ที่สามว่ามินคอลฟีแล้วข้างหลังอีกล้วข้างหลังนบีข้างหลังพวกเรามีอีกตัวเรก็มีสี่แล้วนะ องที่ห้าอยู่ที่ไหนรู้ไคอยอะไรน ะ, ออะรนะเสริมหัวใจเราให้ทำความดีเอ้าไปมัสยิดฟังทับเียให้ยิ้มให้บริจาคนี่นะมรดกามาเสริมในใจเราจะลอดเวลานะนี่อัลลอฮ์เล่าคุรานให้นบีฟังให้พวกเราฟังวันนี้ว่าอิบลิสอยู่กับเราเนี่ยกี่ตัวตัวเดียว แต่มีมาลาอิกากี่ อ, องค์ห้าองค์ทั่วเนีย้ยห้าตอนหนึ่งนะใครแพร้เรานี่ดันน่าจะทำความดีมากกว่านี้ใช่ไหมละ่ะแต่พระกระตาตร์ตามใครตามไตรตอนอิบลิสเนีย่ยเกือบเกือบทั่วโลกเลยนะทุกวันนี้แพ้ใครแพร้อิบลิสหมดเลยนี่เล่าให้เป็น้องฟังเนี่ย อ, อ่านกูนอ่านแล้วได้ข้อคิดเยอะอัลลอฮฺอัลลอฮ มีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังแล้วขอดุดาไม่ใช่มาเสริมหัวใจเราอ่ะให้ทำจากของดีๆยังไม่ยอมทำออ่ะไปทำตามใครอิบลิสไซตตอนครับแสดงว่าอิบลิสไซต์ตอนอิทธิพลมันเยอะที่กุรอานเล่าให้ฟังที่อัลลอ์เล่าว่าซตตอนอิบลิสเนี่ยนะมันสสใสมันคาดคะเนว่าจะดึงมนุษย์ให้หลงทางเนี่ยบอกอลัลลอฮ์อย่างนั้นนะอัลลอ์เล่าว่า ิงที่มันพูดนะ่ะเป็นจริงมันคาดคะเนนะว่าเอจะดึงมนุษย์ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะปรากฏอรรรเ่าเลยมันดึงมันมีความสามารถดึงสำเร็จฉะนั้นคนที่อยู่กับอิมเพลสเนี่ยเยอะไหมยเยอะมากเลยบนโลกใบนี้บางทีบ้านเดียวมีใสยตอด้วยอิมเพลสด้วยแล้วก็ต้องดูแลให้ดีอยาให้ภรรยาเราถูกไสยตอลวงอยาให้ลูกเราถูกใสตอลวง ตัวเร า, าก็ต้องดูแลอย่างให้ใช้ตอนลวงเรานะครับอ้าวันนี้วันเจออายาที่ยี่สิพี่น้องครับว่าจะกูลูนามะตาฮะัลวาดอินคุนตุมสอดิกีน ว่าจะกลัวน้ามาตาฮาดัลวาดุอินคุนตุมสอดิกอินอัลฮัมดุลิลละอาย่านี้มีคำมีคำแปลอย่างนี้นะครับคือเป็นอย่างนี้อธิบายก่อนนะว่าอาย่านี้เนะี่ยพูดถึงนบีมุฮัมมัดพูดครั้งที่แล้วด้วยนะนบีอลัลลอฮ์ส่งนบีมามาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาอะไรนะ มาเตือนให้เลิกทำความชั่วเนี่ยเช่นมาบอกว่ามีนรกนะมีสวรรค์นะมีอิมานต่ออัลลอ์นะหกข้อใช่ไหมมีวันสิ้นโลกนะตายแล้วต้องฟื้นนะคนกาเฟตเนี่ยก็ยาญาติน บ, บีทั้งหมดนั่นแหละนะคนมุสลิกบางคนกาเฟตฝัง่งรวมตัวกันใช่ไมค้านน บ, บีตลอดนะแล้วก็พวกเขาก็พูดพูดต่อต้านนะพูดหัวเราะเยอะด้ยนะ คําว่าวายากูลู้นะพวกเขากล่าวว่าหมายถึงพวกเขาพูดต่อต้านของที่นบีพูดออกไปสอนออกไปต่อต้านโดยแล้วก็ย่ะเย้ยด้ว ย, ยเย่ะเย้ยว่าไงนะมาตาเมื่อไรพากลวะดูสัญญานี้จะเกิดขึ้นที่สอนว่ามีวันกิยามาตายแล้วฟืน้นฟื้นแล้วตองอะไรนะ ไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะให้เ ร, ร, ราวงรางวัลเมื่อไรจะเกิดเอาแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังเห็นอย่างครับนี่วันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนกาเ ฟ, ฟ่นะครับตั้งแต่สมัยนบีมาถึงวันนี้ล่ะพูดย่อเย้ยเหมือนกันน่ะเมื่อไหรจะถึงวันสิน้นโลกมันมีระ่วันสิริโลกอ่ะเราตายแล้วยังฟื้น อ, อีกเลอพูดเย่อเยยถึงไม่พูดโดยวาจาใจนึกเดี๋ยวอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะว่า นิสัยอักลาของมนุษย์เดิมๆที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอิสลามปฏิเสธนบีมหฮัมมัดทั้งนี้นะครับในใจมันแอนตี้อ่าแล้วก็พูดว่างไงนะมาตฮาจัลวาดสัญญาที่ว่าจะมีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นถูกสอบสวนสิุ่บุงกุโบฉันไม่เห็นสักทีเนะี่ยไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะ่ะอยู่ที่ไหนหมดแล้วเอาโชวไม่ให้เห็น อิงกุลต um ุ้มสอดีกรีถ้าพวกท่านสัจจริงหรือพูดจริงให้นํามาให้เห็นหน่อยเอาอาซาบในกูโบว่ามีจริงอ่ะพามาให้เห็นไหไอยสิว่ามาเลยกานะสอบยังไงเอามาจับคนที่นอนอยู่ในกูโบว่าอามานั่งเนี่ยเรากส็สอบนู่นสอบนี่ให้เห็นหน่อยสิแต่ความจริงอลัลลอฮฺมาจะไงหเห็นหรอกให้นบีมาสอนก็พอแล้วใช่ไหมน่ะ แต่พ่อไม่เชื่อนบะีเนะี่ยเลยปฏิเสธมดุดหมดทุกเรื่องเลยนะโอ้อักบัตทีนี้อันทีนี้นี่ต้องการจะพูดว่าวันกิยามะมีจริงนะอัลวาดูหมายถึงว่าสัญญาของอัลลอฮ์ที่พูดว่าวันกิยามะมีจริงเนี่ยผู้นี้มันเยอะเย้ยนะแต่นี้กุลแานอธิบายอย่างนี้ครับกุลแอนบอกว่าคนมุมินกับคนกาเฟตเพราะใครเอย่ยถึงวันกิยามะเนี่ย ความคิดไม่เหมือนกันคนกาเฟเพะเอ่ยถึงวันกิยามะหรือวันสิ้นโลกตายแล้วฟืนเนี่ยหวเราะเยอ ะ, ห, ะหัวเราะฮะก็หกแต่มุมินที่ได้ยินเรื่องวันกิยามะเนี่ยเขากลัวนะ่ะทุกคนกลัวหมดนะ่ะคุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับยะสตาเยลูบิฮัลลทธีนาลายูุมินูนบิฮะ บรรดาผู้ไม่ศรัทธานะครับในวันสิ้นโลกนี่จะเร่งรีบเร่งให้เกิดวันสิ้นโลกไวๆเป็นการพูดหัวเราะเยาะดูถูกเยียดยามท่านนาบีเยียดยามมูุรานด้วยวันละดีนะอามานูมุชฟิกูนามินฮาแต่สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ พอใครพูดถึงเรื่องวันกิยามาเนี่ยเขาเขากลัวน่ะถ้าวันกิยามามีเนี่ยฉันแย่น่ะเนี่ยจะต้องถูกสอบเต็มน่ะถูกนู่นถูกนี้ถูกนี้ถูกนั้นเต็มไปหมดเลยอะมุตินกลัววันสิ้นโลกแต่คนกาเฟสหัวเราะเยอะวันสิ้นโลกว่าก็ฮกมหมัดสอนมาเนี่ยก็ฮกทั้งนั้นแหละวันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมน่ะถูกตําหน่งถูกนูนถูกนี้นนน่พี่น้องสังเกตง่ายๆนะ แค่ตายอย่างเดียวเนี่นะแค่ตายนะคนมุมินเนี่ยเขากลัวนะกลัวความตายอะกลัวมาลาอิก้าจะมากระชากวิญญาณหรือมาถอดวิญญาณแค่ตายอย่างเดียวก็กลัวแล้วนะพราะนาบีสอนอย่างนี้นาบีสอนว่าคนใกล้ๆจะตายเนี่นะถ้าเป็นมุมินเนี่ยอร้อยจะให้มาลาอิก้ามามาเชิญวิญญาณออกจากร่างเราจมาเชิญว่าไงครับ ลาตคาฟู ف ว่าต้ฮจานูว่าอบชิรูบิญญาณนะนี่มันเป็นภาษาของมะลาอิกานะพูดกับวิญญาณนะวิญญาณเรานี่แหละเชิญไปสู่ความเมตตาของอัลลอ์จงเชิญออกมานะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไประทมในเรื่องข้างหน้าและเรื่องข้างหลังนะครับแล้วก็คุณจะได้ไปสวรรค์นี่อัลลอ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังคนมุสมินจั เวลาตายเนี่ยมาลาอิก้ามาอะไรนะมาเชิญวิญญาณออกเราใช้ภาษาเพราะมากส่วนคนกาเฟตเนี่ยเวลาใกล้จะตายมาส่งมาลาอิก้ามาบริือนกันนะมาใช้มาใช้ภาษานี่นําไม่มีนะมากระชาวิญญาณพวกนี้มันก็พูดเยอะเย้ยนะเมื่อไรล่ะฉันไม่เห็นมาลาอิก้าสิใช่ไหมกาฟาโรตอนตอนฟาโรตายน่ะนึกว่า ย, ยัางไง ร, รู้ไหมอามั่นจูฉันเชื่อแล้ว พระเจ้าที่โมเสสอนมีจริงแต่เป็นไงครับบัลลก์เอาดินคว้างปากเองมาศรัทธาตอนวิญญาณจะออกจากร่างใช่ไหมแสดงว่าก่อนจะตายเน่ยเห็นภาพหมดเลยเนี่ยไอภาพอย่างนี้น่ยคนกรเฟนอยากเห็นก่อนเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยรอแม่เห็นแล้วครับรอแม่เห็นก่อนตายหนึ่งนาทีเห็นภาพหมดเลยน่ะภาพนรกกับภาพสวรรค์ภาพที่อิมานต่อรอกับภาพที่แอนตี้อิสลามเนี่ย ก่อนตายให้เห็นภาพหมดเลยที่น่ากลัวมากแต่ั้านคนมุสลิมกลัวดูกันทุกคนจึงได้ขออุอาต่อรอว่าไงนะ um min mouth. อัลลอฮุมมาฮาวินอาไลย์มินสักรอตินมาอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะยาลงโทษฉันตอนใกล้จะตายเลยเพราะใช้ตอนก็ามาด้วยตอนใกล้จะตายแบบนี้มันต้นเลยนะต่อมาครับอายาที่30มสิบกุลลักุมอามีอาดุยาม ت َตْ ت َ أ ْ خ ِ ر و ن عنه س ا, ا ل ل ع أ ة ه ولا يستقدمون قل لكم نيعدو يوم ลَตْ ت َ أ ْ خ ِ ر و ن عنه س ا ع ة ه ولا يستقدمون الحمد لله คุณอนี้มาจากอัลลอฮ์นะ ว่าคาเฟ่ว่าชัยตอนมาเรียกมาลาอิก้าว่าชายตอนคนกาเฟน่ะอืมเนี่อรลรลเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังอาวาญาณนี้ตอนการจะเตือนบอกว่าคนที่เป็นมุสลินกับคนกาเฟ่นี่นะศรัทธาต่อ AH อัลลอฮ์ไม่เหมือนกันคนมุมนสลิมเนี่ศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีจริงวันเกียรติมีจริงตายแล้วฟื้นจริง มีรสูลของอัลลอฮ์ที่มาจริงมีคำภีคุรานจริงแต่คนกาเฟกปฏิเสธมาเลยฉันไม่เชื่ออะไรเขาอย่างหนึ่งเอามาดูสัพ์กุลละกุมกุลแปลว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดที่ก็พูดเยอะแยะว่าเมื่อไรจะถึงวันทีม่มะเมื่อไรจะมีนั่นเมื่อไรจะมีนี่ที่นบีสอนสอนสอนนั่นเอามาให้เห็นหนออ่อยอัลลอฮ์บอกกับ น, นบีว่ากุลมุฮัมมัดจงตอบพวกเขาเหล่านั้นตอบว่างี้ ละกุ้มสำหรับพวกท่านนั้นมีอาะแปลว่าสัญญาที่กำหนดไว้แล้วมีอาจแปลว่ามีกำหนดไว้แล้ววันไหนวันที่คุณถามว่าเมื่อไรจะเกิดนั้นอ่ะยาวมินมีแน่นอนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วแต่อล่อมไม่เล่าให้ใครฟัง วันกียรมะมีแน่นะครับหรือว่าวันฟื้นคืนชีพมีแน่นะครับวันที่มาลายิกามากระชากวิญญาณคุณนะมีแน่ตายแล้วต้องฟื้นแน่วันไหนอัลลอฮ์ไม่บอกให้คุณรู้แม้แต่มล า, ายิกาที่อยู่รอบรอบอัลลอฮ์ที่แบกบรลังอัลลอฮ์นี่นะก็ะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะถึงวันกียรมะพูดง่ายๆก็มีความร่บอยู่ห้ารายการ หนึ่งเมื่อไรวันกียามะสองฝนตกมากน้อยแค่ไหนสามเด็กที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยจะเป็นนั่นเป็นนี้จะแทงหรือไม่แทงสีผาวผิวสีเหลืองสีขาวสีดําไม่รู้จะครบกําหนดหรือไม่ครบกำหนดไม่รู้พรุ่งนี้คุณจะทําอะไรแล้วเมื่อไรจะถึงวันคุณจะตายที่ไหน5รายการนี่อร่อยไม่ให้ใครรู้เห็นงครับ มันก็ถานว้าได้แล้วเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะอัะะลลอฮ์ก็ บ, บอกกับนบีต่อกับพวกเขาไว้ว่าวันกิยามะมีจริงอลัลลอฮ์ได้กำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้วกุลละกุมมีอาดิเยอมินจงประกาศจงสอนพวกเขาหลานที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยนะมีวันที่แน่นอนถูกกำหนดไว้แล้วหนึ่งวันอย่าลืมนะวันหนึ่งของอลัลลอฮ์เนี่ยยาวเท่าไหร่ ห้ามืนปีขอบพระคุณกลัอมาครับลาตัสตะคิรุนอันหุเสอะลาตัสตะคิรุนไม่มีใครนวงเหนียวไว้ให้ชาไปหน่อยได้ไหมไม่ได้อันหูให้พ้นจากมันไป ให้น่วงเนียวน่อยให้เกิดช้าช้าหน่อยก็ไม่ได้สาอาตานสักหนึ่งวินาทีก็ไม่ได้สาธาปวยามหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีสองนาทีสินาทีไม่ได้พี่น้องเมื่อถึงกําหนดวันสิ้นโลกนะครับวันกิยมามานะครับขยายเวลาไม่ได้ย่นก็ไม่ได้ไว้ก็ไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะเลยนี่อีมาน นี่อิมานทั้งหมดเลยเป็นอีมานนะครับเครื่องกรลอกด็ดของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่ออิมานทั้งหมดแล้วเป็นอีมานข้อที่ห้าด้วยวันกียร์มา่มีจริงไหมมีจริงครับเรากําหนดเวลามียะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วครับแต่ไม่มีใครรู้ถ้ารู้จะดีหรือรู้วันตายดีหรู้วันกียร์มาดีไหมไม่ดีถ้ารู้วันแต่งงานเนีโอ้โหยิ้มแตแ่เอาต่อมาครับ วลายสตากดีมูนและเร่งมันให้ไหวก็ไม่ได้จะทำให้ช้าก็ไม่ได้จะทำให้ไหวก็ไม่ได้อลัลลอฮ์กำหนดวันไว้น บ, บีอธิบายอย่างนี้วันเกียมมามานี่กำลังเอาข้าวเนี่ยใส่ปากไม่ถึงปากไปเลยกำลังห่อผ้ายังไม่ทันจบไปเลย เอาเข้าวใส่ปากอยู่แล้วเนี่ยพอจะเข้าป่ากวันเกียร์มามาเลยปุ๊บจบเลยครั้งเดียวไว้มากครับแล้ววันเกียร์มานาบีุลกัสสอนอีกเกิดเกิดวันไหนวันศุกร์แต่ท่านวันศุกร์ในมุสลิมพร้อมตัวอย่างใช่ไหมอาบน้ํานา ม, นมาแล้วอาบน้ําแล้วแต่งตัวอัลลอัฮฺใส่เครื่องเครื่องหอมเทียบแล้วมันพร้อมที่จะไปหาอัลลอฮฺตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่เรานั่งอยู่ในมัสยิดถรรมาตอนนามาวันศุกร์เป็นไง ตาในมัสยิดเห็นยังครับเนี่ถ้าทักว่ามุมินเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาพอใจเราสะอาดตัวเราสะอาดอาบน้ําอาบท่าจากบ้านมาใส่เสื้อผ้าเหมือนตอนฝังเหมือนกันฝังมายด์นะผ้าไหม่ใช่ไหมสามผืนสำรีอีกน้ําหอมอีกโหใส่ไปพี่น้องเหมือนกันคนน้ำมานน้ำมามนมาสุกแต่งตัวสะอาด อ, า อ, อัลลอลกบุบะเดินออกจากบ้านอ่านดอาเดินมัสยิดอ่านดอา อัลลอฮอักบรเนี่ยถ้าตายวันนั้นเราพร้อมพอท ite, ุสิ่งทุอย่างเราตะวักันต่ออัลลอหมดแล้วอมดเีเนี่ยอหม่านอย่างเดียวมันตัวคุ้มกันเราคุลกุมมีอาดุยอุมโกลาวเถิดมุฮัมมัดสำหรับพวกท่านคือสัญญาณของวันหนึ่งโดยเฉพาะได้กำหนดไว้แล้วละตัสตะฮิรูนาอันฮุสั์ ซึ่งท่านจะนวงเหนียวให้พ้นมันสักหนึ่งวินาทีหรือสักนิดหน่อยก็ไม่ได้วายัสตากดีมูนหรือจะเร่งมันให้ไวกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับวาริกุลิอุมมาตินอาญสาหรับทุกทุกประชาชาตินั้นมีเวลาที่กาหนดไวแล้วจะต้องหมดอายุไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ไม่หมดอายุไม่มี เราบอกว่าทุสิ่งทุอยา่างมีวันหมดอายุหมดนั้นต้องตง้องอิมานตรงนี้นะครับตัวเราก็หมดอายุบ้านเราก็หมดอายุภรรยาเราหมดอายุอย่าไปติดยึดกับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปไปติดยึดสิ่งที่เป็นหมดอายุดีกว่าอามันที่ซ้อนแล้วทําเป็นหมดอายุนำมหาบันมหมดอายุอ่านคูนอ่านผลบุญไป็หมดอายุสิครู الله, คลอผลบุญไป็หมดอายุเหมนไห ทำเพื่อโลกดุลย์ยานะหมดอายุหมดเลยเดูง่ายๆสสกี่ปีสวกี่ปีทำ ม, มีหมดอายุหมดอ่ะบ้านหมดอายุรถหมดอายุที่ดินหมดอายุชัดยาไปติดยึดกับสิ่งที่หมดอายุให้ติดยึดกับสิ่งที่ไม่หมดอายุทําแล้วเนี่ยบาทยาตุศรยาธาตติดตัวไปตลอดทุกวันตียู่บ้านนะห้ามดุวยล่ะ ไฟะจ่าอาจัลุหมลายาสตักฮรุนัสสะฮะทาวะลายาสตักดิมุตดังนั้นเมื่อเวลากำหนดของพวกเขามาถึงอาทิความตายมาถึงนะพวกเขาจะนวงเหนียวเวลาหนึ่งก็ไม่ได้พวกเขาจะเร่งครับมันเกิดไวๆวก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเวลาอาดา ม, มาน่ะใครแก้ได้อะเจตสมัยดิบินวัว สวายน บ, บีนวนอาซาลมมาใช่ไหฝนมาน้ำท่วมแล้วใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้คนที่อยู่บนเรือรอดหมดคนที่ไม่ขึ้นเรือตายหมดอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะตายแล้วถูกลงโทษที่กูโบอีกโอเนี่ยคำสอนของน บ, บีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลมามะอธิบายอย่างนี้นะทับเสกุรตบีบอกว่ามีอาดุยามิน ละกุมมีอาดูยามินสำหรับพวกเขานั้นมีสัญญาหนึ่งท่านอธิบายไว้3ามสามรายการนะรายการหนึ่งมาถึงวันฟื้นคืนชีพจากกูโบเป็นเรื่องจริงข้อที่สองความตายมาประสบกับมนุษย์ทุกคนเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้ทุกคนยอมยอมรับอดเรื่องที่สนะครับก่อนวันติยมะ ก่อนบรรพินโรนะครับอะรทจะให้มาลายกามาเป่าอะไรนะเป่าที่เป่าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะตายหมดนี่เป็นเรื่องจริงรนี่ไอเชื่อแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอีมานเชื่อแบบนี้แหละเขาเจ้าอิมานนอนอยู่ในกูโบไป น, น้องครับปลอดภัยจากการลงโทษหมดเลยอะถ้าไม่เชื่อสิพี่น้องโ อ, โ, โ, อโอ้โหพระยแค่โหโหนี้หรือเสิงส่งนบีมาส่งคัมภีร์มา ทุกอายาจะพูดเรื่องการฟื้นคืนชีพนะไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดนาะอัลลอ์จะตอบแทนรางวัลนะให้นวนให้นินเล่านะพรับพี่นเดียวเล่ า, ล า, ล า, ลา ท, ท, ทุกๆสุรรอบเลยไปเนาะเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้ย้ำไปย้ำมาหลายตัวหลายครั้งนะเ ป, นป็นพันๆครั้งแสนแสนครั้งนะครับต่อมาครับอายาที่ส1อวะกอลลัลทีนักฟรู لن ن ว م ับมีน์ بهذا อัลกุ ن َ ل َ ب َาบิ ب ล ن ฎีบัยน و َ์ดายวลาอุตร้าอิ و ิฎ م ิ و ุนมาคุฟุน عند رب ه م ์มยَ ر ج ع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم ل ك ُ ن ا مؤمنين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي و َ و เ تَرَ ائز ี ل ู้ลิมู و ไม่ชอบหนَ้อินดารับบิ ل ย ب ำรีบบาง ل ูมَีลาบางดิลกُล ل ذ ي, ي, ي ن ูลที่นัส ل ูงิฟ ن ลที ك นัสตักบ ن ู ت ُ م ลาอันตุมล م กุน อัลยลอาญานีอ like ัลลอ์ความรู้เต็มเลยไปน้องความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์เล่าให้พวกเราฟังผ่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัลฮิวสาริมอัลลอ์ไปน้องครับอ้าวดูดูดูดูสับนะกอลัลลอีนะกัฟารูกอล่าแปลว่ากล่าวว่าอัลลอีนะกัฟรู บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอัลรละเล่านะว่าคนกาเฟสนะผู้ปฏิสัทธาเนี่ยพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับกุรอาลเลมนี้กุร อ, อาที่เราอ่านอยู่เนี่ยสามสิบยุษเนี่ยหนึ่งร้ยสิบสี่โเนี่ยในนั่นมีความรู้สะอาดบริสุทธิ์มาจากชั้น้าเป็นวะฮีอัลรละเล่าให้เด็มีฟัง ญาติานบีที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยรู้ไหมเขามองกุรานว่ายัางไงเขาบอกว่ายัางงี้ลานุมีนาเราจะไม่ศรัทธาเห็นไหมเราจะไม่ศรัทธารอใช้เวลาลงกุรานกี่ปีสิบปีนะ23ปี13ปีที่นครมักกะส10ปีที่นครมดีนาะ แต่งตั้งมุฮัมมัดขึ้นมาคนหนึ่งเป็นญาติของพวกเขาเองน่นแหละพวกนี้ไม่เชื่อเลยของที่เอามาจากอะไรนะจากอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อแล้วก็ละนุมีนาบีฮะลกุรอานเราจะไม่ศรัทธาในอัลกุรอานาเล่มนี้ฮะดะแปลว่าเล่มนี้ลงกุรอานไม่กี่เล่มเล่มเดียว คนกาฟเฟสในคนครมกักกะบอกว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่ศรัทธากุณอา่านเล่อนี้พี่น้องครับคนที่ไม่ศรัทธาในโคดคำพีคุณอา่านอย่างเดียวนะอยู่ในกูโบน ล, ลําบากครับคนที่ไม่เชื่อว่ากุณอา่านมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องอยู่ในกูโบน ล, ลําบากนะลําบากยังไงอง่ะผมอ่านฮาจีสัยฟังพี่น้องเวลาตายครับ พายุดลิซานิฮิมัลไลกาทั้งสองเนี่ยนักเรียมุกกามาทำอะไรแล้วไหมมาจับให้เขานั่งไม่เชื่อเริ่มเองฟังกันแล้วกันมัาไลกาสองท่านมาจับให้คนตายนั่งในกุโบนี่ถ้าเชื่อนาบีเนี่ยนึกตามนาบีสบาใจไหมอัลลอฮ์ <S <S ฉันจะต้องถูกจับอยู่ในกูโบถูกจับนั่งกัน ปนึกภาพเขานั่งยังไงเลยเฮ้กูโบมันเล็กอ่ะก่อนนบีแล่าว่ารอดร่าไครฟังอ่ะถูกเอ็มถูกจับให้นั่งใครใช้มานะมาริการ์มาจับมาริการ์ม า, า, ย, า, มายัางไงมาใต้ดินขุดดินมาเอาเขี้ยวขุดดินนี่นบีสอนเองแล้วก็เวลามานะ่ะเหมือนเหมือนกับฟ้าร้องอ่ะฟาพาอ่ะเปรี้ยงตกใจแล้วคุณนอนกนะับกูโบ่ะพอมาถึงพาพมาถามมาโรบกูกา ใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านคนมุมลินกับคนคาเฟต่ต่อไม่เหมือนกันนะคนมุสลินบอกว่าอัลลอฮฺเราบีอัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของฉันมาดีนุกะอะไรเป็นาศาสนาของท่านคนมุมินตอบว่าดีนีอัลอิสลามอิสลามเป็นศาสนาของฉันถามคนคาเฟ่ลาเดนีไอดอนโนฉันไม่รู้ <laughs> แล้วก็ถามอีกว่ามาฮาร์รุยุล อัลลอฮฺดบุซาฟีกุมมีมูฮัมมัดขึ้นมาคนหนึ่งที่อัลลอฮแต่งตั้งให้เป็นนบีเนรจักข้อพาคนมุฮมีนตัววะฮ่ารอซูลลลอคนนี้แหละเป็นรอซูลของอัลลอฮวกก่าวอชฮดอัลลาอิลอิลัอฏยญานตนว่าอัลลอฮมีองค์เดียวมุฮัมมัดรอซูลลลอไปกล่าวดูใต้ดินนะฉันศรัทธาว่ามุฮัมหมัดคนนี้แหละเป็นรอซูลของอัลลอฮเป็นนบีของฉัน มาเลกาถามต่อไปอีกว่ามายุดดาริกะใครบอกให้คุณเรื่องอย่างเนี้ใครเล่าให้คุณฟังไฟยาคูลูกกอเรอตุกิตาบลัลลอห์ฉันอ่านจากคำภีอัลกุรอานนูน่นนะไปตอบกับมาเลกาในกูโบนู่นนะตอบว่าไงนะกอเรอตุฉันอ่านจากอัลกุรอานฟะอามันตุบีฉันศรัทธาต่ออัลกุรอาน วัสดุดักตัทฉันยอมรับอัลกุรอานใช่ไหมแต่นั่นคนที่ไม่เอาคุรานที่คนกาเฟ่ต์ว่าลานุมีนาบิฮาจัลฮาดีเราจะไม่ศรัทธาในคุรานเล่มนี้ไปลำบากในกูโบครับเได้ยังอัลลอฮฺอัลกบันได้ยังครับแต่นั้นบนดุนยานี้ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ ค า, าเฟ่กับมุสลิมอยู่กันไปน้องอาจจะมุดคาเฟ่าอัน จ, จะได้ดีกว่าเยอะแยะไปหมดเลยจะมาเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนั่นมุดมินไม่มีตําแหน่งอะไรเลยเลไมมีปัญหาเข้าสุราจนดีใจจะตายอยู่แล้ว <laughs> อัลลอฮ์อ่าน จ, จะออกจากบ้านมีดวงอ า, อ, าอัลลาอฮ์อ์อัลมันมันยิ่งใหญ่จริงๆอัลลาอฮ์องค์อั ล, ลาอาสังเกต ง, ง่ายๆตอนนี้ฝนจะลายสองจุดห้าเอ็มจะมาแล้วก็มีอะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดเนี่ยพี่น้องมุสลิมมาเนี่ย คุมที่ยาแล้วก็ปิดหน้าเบื่อใพราะตาปลอดภัยมากแล้ววันนี้ไอ้มองคลทั้งประเทศเลยไมเ่เห็นรัฐบาลสั่งให้ล้างมือแต่ของเราเนี่ยล้างมือล้างหน้าล้างจมูกอะไรดีกว่ากันลุกขึ้นนำมาทหารยุทธ์ไปน้องมังคีข้าของน้ำสามเที่ยวใช่ไหมล่ะอาจจะเช่าอยู่ชีชีใช่ไหมนมาอีกนำม า, อ, ำมาอันมาสามครั้ง啊 แล้วก็นมามาดอีห้าครั้งจะไรห้าหกเจ็ดแปดนมามาดตูคาอีกเป็นเก้าล้างหน้าล้างมือวันหนแปดเก้าครั้งเนี่ยถาวว่าฝุนนี่จะติดหรือไม่อ่ะนี่เป็นข้อเตือนใจดีๆทุกข้าหาอิสลามสง่างามมากกันแล้วทำตูริลาทำตุริลาดีจริงๆอ่ะทีนี้พอเราตอบปัญหาปัญหาได้เมื่อวันแรก็ถามใช่ไหม ซุ่มมายุบซาฮุละหูฟีกับริฮิซาบะนัดีรออัอัลลอ์จะให้กูโบเนี่ยขยายกว้างแค่ตอบปัญหาว่าฉันอ่านจากักุรอานฉันอีมานต่อักุรอานฉันยอมรับอัลกุรอานกูโบกว้างเลยไป น, น้อทำดุริเล ะ, ะไหมเท่าไรครับซาบะรออันเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดสิบเท่าไรคิดเอาเอง ท่านกูโบกว้างขนาดนั้นไม่ใช่แคบสิ่ที่เราเห็นไม่ใช่นะเนี่ยนบีเล่าให้ฟังซุมมาอยู่นาวิรรลหูฟีฮิสุสารจะถูกให้มีรัศมีมีแสงสว่างอยู่ในกุโบแค่ยอมรับก็นานอย่างเดียววะพี่น้องเอาต่อมาครับซุมมาอยู่กอลุลหูและมีเสียงพูดว่านั่มนอนให้สบาย อัลลอฮ์แล้วก็ฟายากูลอิดยาอีลาอาฮลีฟะอัคบิรุหุมฟายากูลหรไม่ต้องอยาลอชันต้องการจะบอกจะกลับไปบอกครอบครัวฉันว่าฉันอยู่สบายได้ไห ม, ไมอัลลอฮ์ไม่ต้องไม่ต้องมันใช่หน้าที่เธอหน้าที่นบีนุ่น <c oughs> นบีมาสอนแล้วคนที่มี إ ي م านต่ออัลกุรอานอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลกุรอานอ่านอัลกุรอานหา จากอัลกุรอห์หาความรู้เป็นว่านอนอยู่ในกูโบสบาจะตายไปแต่หน้าที่คนกาเฟตมามาบอกกับนบีบอกว่าลันุมีนบีฮะจัลกุรอานเราจะไม่สัตย์ในอัลกุรอานเล่มนี้เองเจอแนะ่ <laughs> จะอาซาบในกูโบเอาเปล่าอัลลอฮ์โมมีนบอกวาอาซาบกูโบน่กลัวกันหมดแล้วผมนี้หัว ร, ราะเยอะเมื่อไรจะเกิดเมื่อไหรจะเกิดอรอไป อัตอมาครับไม่ศรัทธาในกับเรื่ออัุรอานยังไม่พอนะวะลาบิลลดีบายนายาดีและคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าคัมภีรกุรอานอีกกี่เล่มเตาร้อนซาบุตอินยินใช่ไหมใครที่ไม่ศรัทธาคัำพีเหล่าร้อนก็ถูกเหมือนกันเ น, นี่ยจลองยุคนยุคมูซาอีซาใช่ไหมถูกหมดเลยที่ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธคัมภีเตารอนซาบุตอินยินถูกหมด ไม่เชื่อเรื่องท่านอาต่อมาครับนี่เล่าเรื่องที่สองต่อไปนะว่าเราตรายดีร้ายมูนามมกูฟูน่าอินดารบิหิมนี่อีกเรื่องนึงนะอายาเดียวพูดตั้งสามสี่เรื่องเนี่ยอายาดีกรับวรกนี้ว่าเราตรอถ้าหากมุฮัมมัดสามารถมองเห็นได้ แต่มองไม่เห็นแต่เล่าให้ฟังวันเราตรอ่อระทหากนบีมาสามารถมองเห็นได้นะดูไม่ภาพอะไรครับภาพที่อยู่ที่ทุ่งมาชัดที่ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอ์ที่ทุ่งมาชัดนะั้นท่านจะเห็นคนที่ปฏิเสธกุรานไม่ศรัทธาต่อกุรานอัลลอฮ์ใช้ภาษาว่าอีซิริมูนผู้อาธรรมทั้งหลายเห็นไหม คนที่ไม่อีมานว่าอุปกรณ์มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ภาษาว่าอัลลอลิมูนคนอะไรคนอธรรมอาคนอธรรมเนี่ยภาษานี่นะภาษารักหรือว่าอาธรรมต่อตัวเองใช่ไหมล่ะอธรรมต่ออธรรมหมดเลยอ่ะท ร, รมานตัวเองอ่ะท ร, รมานครอบครัวตัวเองแต่ไม่รู้สึกตัวไงเห็นไหมดฉะนั้นคนที่อาธรรม คนที่ไม่เชื่อกุณอ่านอัลลอฮ์ใชภาษาว่าถ้านาบีมูฮัมมัดสามารถมองเห็นคนที่อาธรรมนั้นในทุ่งมาชัดครับมาบูฟูนอินดารอบบีฮิมถูกให้ยืนหยุดถูกให้ยึดยืนถูกให้หยุดยืนถูกให้ยุดยืนไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนยืน อินดารบีฮิมต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเขาเอาพี่น้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอ์เนี่ย่าคนกาแฟตยืนกับมุมินยืนต่างทํา ไ, ไหมล่ะเรายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในนามาอยู่แล้ววันหนึง้าเวลาใช่ไหมยืนแบบสบายใจอัลฮัมดุลิลลาฮิราบบินแล้วมีอ่านกุณอ่านด้วยรอพี่น้องครับคนกาแฟตยืนเหมือนกัน ทำอะไรเราก็จแม ย, อยาอธิบายเยอะ น, ะนะตัวนึงว่าอัลลอ์เล่าให้นบีฟังคนที่ไม่เชื่อกุรอานจะทูงให้ยุดยืนอยู่ต่อนหน้าอลัลลอ์ที่ทุ่งมักจักอลัลลอฮ์พี่น้องครับยืนหน้าตัวสารหรือเปล่าในกุรอานอจะอย่นตัวสานด้วยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นั ก, นกมเลยหนึ่งพี่น้องครับยาละหน่วยหึ่งกลัวสองสาบแช่งกันเองด่ากันเองสพี่น้องครับอะไรนะเอ่อที่พัฒนักของเขาเห็นภาพหมดเลยครับที่พัฒนักคือไฟนรกบแล้วก็วามาละฮุมมินาไม่มีตัวช่วยเลยพี่น้องครับอยู่บนนิยานเนียมีคนช่วยปอบจใจจะมแต่ในอาอร์เกล่หมดสิทธิ์ครับพี่น้อง ต่อมาครับย่ากูลุลีนสตฟูที่ Allah ว่าปรับปั้มด้วยคำพูดนะ่ะเขาปรับปังมกันยังไงย่ากูลูพวกเขาจะกล่าวใครกล่าวด้วยไหมอิสตูดอยฟูผู้ที่ถูกถือว่าอ่อนแอมาถึงลูกน้องอยู่บนดุนยาไปนี้เรามีผู้นำก็ใช่มหมละ่ะเรามีหัวหน้าใช่มหมละ่ะ แล้วก็เรามีลูกน้องใช่ไหมล่ะลูกน้องเนี่ยจะดาผู้นําผู้เป็กักผู้ในพักการเมืองก็ได้ไหมได้เอาอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามแต่เราฉันสกัดมาทับนี่ไอ้อุ้จำนะคับกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ฉันพวกนี้โอ้บนปัญญานี่มีพวกหมดเลยใช่หรือไม่ใช่วันนี้นะนะเราเป็นลูกน้องเขาอยู่ แล้วก็วันนั้นเนี่ยลูกน้องจะเริ่มด่าผู้นําแล้ววันกี้มัร์จะด่าผู้นําแล้วก็ลิ ล, ลาสินาสตาคารูผู้ที่เป็นผู้ที่อวดดีอัลลอฮฺอัลลอฮ์ใช้ภาษาดีนะพนคนที่ถูกว่าอ่อนแอจะตําหนิคนที่อวดดีอวดโตมาถึงผู้นําอวดดีอวดโตหมายถึงผู้นํา ผมคุยกับมุสลิมคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งเขาเล่าบอกว่าผู้นำเขาเนี่ยเตะท่ากลางน้าดูเลยผมนี่ไม่อยากจะไหวแต่ว่าเพราะเป้าก็ะถูกถูกถูกบังคับประเพณีปฏิบัติต้องไหวกันกลางดูถูกเยียดยามเองมาทำงานกูจ้างมึงมานะ่ะ นี่ความรู้สึกของคนกาเฟรเนี่ยอยู่บนดุญยาใบนี้นะเขามองกันอย่างนี้แหละแต่อิสลามที่สอนให้มาจะสอนแบบนี้อนนี้ลาเปิดฟงฟังนะคนที่เป็นผู้นำคนคนที่เป็นนายจ้างคนคนที่มีฐานะการเงินเยอะๆเนี่ยนะและมีลูกน้องเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์พูดอย่างนี้นะคนที่มาทำงานให้คุณเนี่ยให้ในายจ้างได้มองว่าเขาเป็นบ่าวอัลลอ์สองเขามาทำงานเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาครับ อันที่สามเขามาทำงานนี่นะครับต้องให้อาหารเขากินนะแล้วก็ข้อที่สี่ให้เสื้อผ้าเขาใส่ด้วยข้อที่ห้าให้เขาทำงานต้องดูว่าถ้าเขาทำงานเหนื่อยนะหรือว่าหนักไปนะต้องส่งคนไปช่วยนะเห็นไหมครับนี่นนบีสอนนะนี่นะจาคนที่เป็นเจ้านายคนละมองคนลูกน้องนะหนึ่งเป็นบ่าว อ, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมา มาช่วยทํางานดูแลอาหารก็แม่งเงินเดือนเงินเดือนอีกเรื่องเนึ่งนะมีอาหารให้เขากินเปล่ามีเสื้อผ้าให้เขาใส่เปล่าทํางานหนักๆส่งคนไปช่วยไหมถ้ามีหลักการอย่างนี้นะครับห้าหกข้อนี้นะเขาเป็นคนดีนะอัลลอฮ์ในวันในวัอัลลอฮ์วันเกียรติมาอัลลอฮ์ให้เกียรติหมดเลยเนะี่ยเป็นเจ้านายแต่เนื่องจากอยู่บนดุลยานี้นะเหยียดหยามคนแล้วก็ดูถูกคนแล้วก็กดขี่ประชาชนคนจะมีอํานาจทั้งหมดเลยนะ วันนั้นนะ่ะคนที่ถูกมองว่าด้อยโอกาสจะตำหนิคนที่ผู้อวดดีอวดโตเห็นไหมอลัลลอฮ์ช้ภาษาอวดดีอวดโตเป็นไงครับด่าด้วยชมอัลลอ์อักบัดนี่ด่ากันเองในวันเกีมาเห็นยังครับวันนี้เราไายกันหน้าดแูแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั บ, รบอลัลลอฮ์นี่อลัลลอ์เล่าภาพจริงๆในโลกอาคีระ ให้คนที่อ่านคุณอ่านให้นบีฟังนบีรู้เรื่องแบบนี้มาพี่น้องนบีสง่างามเลยอัลฮัมดุลิลละเราอยู่บนญาณิอัลฮัมดุลิลละสง่างามจริงๆนะครับพี่น้องอต่อมาครับพูดอีกว่าหนึ่งเราละอันตุมถ้าหากั้คุณไม่มีนี่ถ้าพวกคุณไม่มีนะพะคุณเนี่ยเอาเงินให้ฉัน อ้าออกกดโน้นออกกดนี้อะไรก็ตามแต่เธอลกุณ น, นามิมนีเราคงได้เป็นผู้ศรัทธาไปแล้วต้องลงเอาอะไรเป็นใหญ่เอาอิมานเป็นใหญ่แต่อิมานไม่ได้เพราะเองทั้งหากลเลยเกรีใจเองด้วยนึกถึงลุงนบีอบูไดบูตอเลบอ้าอบูตอเลบเนี่ย มีคนถามถามนาบีบอกอบูตอริบเนี่ยนะเป็นลุงท่านเนี่ยนะเวลาใครมาด่าท่านเนี่ยนบีลุงเนี่ยโกรธแทนนะแล้วก็ช่วยเหลือนบีมันจะหลอดดูแลนบีอะไรมีมีประโยชน์ไหมในวันกิยามะเนี่ยนบีก็บอกว่าถ้าหากไม่มีฉันนะลุงเนี่ยอยู่นรกชั้นทัดต่ำสุดแต่เนื่องจากฉันนี่ไม่เห็นนบีคนเดียวนะ Allah ให้อยู่ในนรกท่านเบ่าที่สุด Allah กระบอกเาเรียกว่าโด ح, ด ح, ชั้นบนสุดของนรกครับนี่นบีพูดเองพูดถึงลุงตัวเองอ่ะให้แม่พี่น้องอีมานเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยเนี่ยพอลุงไม่มีอีมานอ่ะปกป้องนบีมาปกป้องนี่มันหลานฉันนาไปเผยแผ่ อ, อิสลามเนีใครต่อว่ายายาย า, ยาที่หลานฉันถึงขนาดนี้นบีเล่าเองนะครับ ในวันเกี่ยมาอัลลอฮฺจะให้ลุงฉันอยู่บนบอบ่นรกฉันเบาสุดสูงสุดขนาดสูงขนาดไหนนะอัลลอฮฺว่กรณีมาที่ขาใช่ไหมขมองเดือดนะเห็นอย่างสรุปใชคือชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีอีมานต่ออัลลอฮฺไม่มีอีมานต่ออัลกรรุรอานขาดทุนอย่างยอยยับแต่บนโลกใบนี้อัลลอฮฺไม่ให้เห็นเลยนะครับเหมือนกับไม่มีอะไร่ พอตายภาพแค่แบกเท่านั้นแหละเองจะพาฉันไปไหนฉันไม่ไปอ่ะพี่โยบลองตายดูสินี่กุณอ่านไปตั้ครับอ่านคุณอ่านแล้วอัลลอฮฺอัลบัดอิมานเพิ่มไหมเป็นห่วงคนไปหมดเป็น้องครเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียเป็นห่วงญาติเป็น้องเองมีอิมานเปล่าและอิมานน่ะมันเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันนะถ้าไม่อ่านกุณอานเข้าใจยากนะอิมานต่ออัลลอฮฺ อยู่ยังไงเขาเล่าก็เรื่องอัลลอฮฺอิดุลวเนี่ยอยู่บนบัลลังก์อ่ะบางคนว่าไปบนบัลลังก์ไม่ได้อัลลอฮฺมีที่อยู่ก็กุัวอ่านพูดว่าอัลลอฮฺอยู่บนบัลลังก์จะอยู่ยังไงนะอีเรื่องเราไม่รู้อัลลอฮฺอยู่บนบัลลังก์อยู่บนบลัลลังก์ก็จบจะไม่อยู่ตายดินีงยอยู่บัลลังก์เอา ก, ก, ก, ก็ก็ศึกษาหาความรู้กันไปกลังว่าอิหมานสําคัญมไหมพี่น้องสาคัญมากเลยุกลังว่าคนวันนี้คนที่เป็นเจ้านายคน อัลลอฮ์จะเรียกคนที่เป็นเจ้านานคนว่าคนที่อวดดีอวดโตคนที่เป็นลูกน้องคนเรียกว่าคนถูกว่ามองว่าอ่อนแอคนอ่อนแอจะด่าหัวหน้าตัวเองในทุ่ง ม, มัชช์เองนี่แหละเป็นตัวเหตุทําให้ฉันไม่รู้จักอัลลอฮ์เองนี่แหละเป็นเหตุการณ์ทำให้ฉันไม่อิหมั่นตัว Al อัลกุรอานอัยหนายครับลราลอตุมลกุนนามุมินูน ถ้าไม่ใช่เพราะหลงเชื่อท่านพวกท่านนะเราก็จะไม่ได้เป็นเราคงได้เป็นผู้ศรัทธาไปแน่นอนหลนี่ไปยอมรับที่ไหนไปด่ากันเองในทุ่ง ม, มหชัชานูนเนองครับเอาอ ย, า, อ า, อยาสุดท้าย وقال ا ل ذ ต ن س ت ك ลล و ل ِ ا น ذ ي ن س ت อ ع ฟู Anah nu s a so d a d n a kum anil huda b ja a d a izahakum balkun tum mujrimin alhamdulillah ayat i dia cincang. a l a u yang nist a k b a r u l i l l a d y i n a s t u d a f u Anah nu s a <so> d a d n a kum. <so> อันิลฮุดาบัดาอิจาอัคุมบัลคุนตุมุจริมีอัลฮะมดุลเลาก็เ่สัททัดกันเองนะครับคนที่เป็นหัวหน้าที่อัลลอฮ์ใช้ภาษาไรนะอิสตกบรูคนที่วางตัวใหญ่หัวดีหัดโตเหไม ความจริงหัวหน้าเนี่ยมันต้องมีรางวัลตอบแทนในโลกอาเกโรอเนี่ยนะกับถูกอัลลอฮ์ด่าอีกในวันกี่เยอะหมเพราะเองมันจะเอาซูนย์หน้าอนะับดบีมาใช้เลยอัลลอฮ์บักรัตเป็นผู้นำคนต้องนอบนอบ้อมทอมตนดูโตอิมัมเนี่ยเขาวางตัวสงานนะ่างามไม่เห็นเนะแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตอยู่นอกอยู่นอกโซลเราไปไงเตะท่ากันหมดเลยนะเห็ น, เ, นเอาต่อมาครับ กอลลัลลีนัสตักบาลบรราผู้อวบัตโตก็จะกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ถูกถือว่าอ่อนแอกอลลัลลีนัสตับบรรดาผู้อวบตโตก็จะกล่าวแก่บรรดาลิลลีนัสตูดอิฟผู้ที่ถือว่าอ่อนแอไปถึงลูกน้องนู่นน่ะไปตําหนิกันที่ทุ่งมหาชัดโน่นนะอ่านะฮะนุ อาไปว่าหรือนะกหนูไปว่าพวกเราสอดาดนาคุมได้กีดกันพวกท่านหรือคุณว่าเราเนี่ยนะกีดกันคุณเหรอภาษากุราณไม่ยากครับอาหนาหนูสอดาดนากุมนี่พวกหัวหน้าปล่อยวางตัววางกล้ามพวกกลั่นเนี่ยนะจะไปด่าลูกน้องว่าเองว่าฉันนี่ยนะกีดกันคุณกันนั่นเหรอเองเหรอว่าฉันนี่ยกีดกันคุณเหรอ อ๋อเห็นไหมนี่ไงหัววั น, นหน้าที่กังกังอ่าอายานนี่สิเฮ้ยกูเนี่วางตัวกลังหรือเปล่าทอมตนเธอไอ้กังกไม่ไมีประโยชน์มีประโยชน์บนดุลยานี่ไม่กี่วันตําแหน่งหมดหมดกลังไปทําไมทําไมไม่นอบนอบไม่ทอมตนตามนาบีมุฮัมมัดตามสราบานนบีที่เป็นเป็นผู้นําคนตั้งเยอะแยะเขาไม่เคย จังไม่เคยเตะท่ามไม่เคยวางตัวแต่นอบน้อมท อ, อมตน อ, ลอัลลอฮฺทั้าไม่ไม่ดูดแบบกันหรแบบก็มีเนี่ยนะเอาต่อมาครับอา น, นิลฮูดาเห็นไหฉันเนี่ยมากียรกันคุณจากทางนําที่ถูกต้องกัร น, นั้นรึอในถามคุณด่าฉันนะว่าฉันเนี่ยไปกียรกันคุณไม่ให้อยู่ในอิสลามที่ฮูดาเว็นทางนำํำจะมากมาจนคุณอ่านก็ได้ฉันนี่นะห้ามคุณไม่ให้เรียนกุนอ่านเรอ ฉันนี่ห้ามคุณแม่รับรับอิสลามเรอบาดาซะจะอากุมหลังจากที่ความหลังจากที่ได้อิสลามทางนำมาหาพวกท่านแล้วหลังจากที่นบีนำเอามาสอนแล้วฉันไปห้ามคุณเมารายเ <c oughs> ข้าใจนะทูวร้องว่ากุารานี่ยิ่งใหญ่มาก ไม่เอากูร า, ากอย่างเดียวน่ไปดา่าในถุงมาชัดเห็นอย่างครับคุณว่าฉันเนี่ยกิดการคุณไม่ศึกษากุรอ่านเป็นทางนำของอัลลอ์หลังจากกุรอ่านที่ลงมาแล้วนะเด้อบาลกุนตุมมูเจรีมินบัลกุนตุมมุจรีม น, ต, มมรมนตรงกันข้ามบ้านบาวตรงกันข้ามไม่ใช่เพราะฉันเลยนะเพราะ คุณตมมูเจริมนพวกท่านเองเป็นพวกมีผิดมาแต่เดิมอยู่แล้วสัน ด, ดานคุณตังหักไม่ใช่เพราะฉันเห็นไหมใครยอมรับบ้างไม่มีใครยอมรับสักคนของฉันเป็นนาพาคุณตกนรกไม่มีใครยอมรับสักคนนึงอ่ตตะต่างคนจะปฏิเสธฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ย ว, ยวคุณเองคุณเองคุณเอ ง, เองแล้วก็จริงด้วยจากนั้นเราจะไปโทษใครเลยว่าฉันนี่ทําไมหน่าโทษใช่ตอนน่ะ ใช้ต้อมบอกว่าอย่าเรียนแค่นั้นแหละอยู่เฉยๆนอนให้สบายไม่ต้องเรียนกุรอ่านอัลลอฮ์นี่นบีเล่าให้ฟังนะอิบลิสมากี่ตัวตัวเดียวใช้บลลัยกายอยู่เท้าเท่าไหรห้าระใครแพร่ใครทุกวันแน่มีบลัยกายอยู่ห้านะซ้ายขวาสองข้างหน้าสามข้างหลังสี่แล้วก็ส่งเสริมให้ทาความดีอีก รวมเป็นห้าน่ยอิบลิสมีอยู่ตัวเดียวยอมคลายถวันเนี่ยยอมอิบลิสนะเลยไปอ้างทะเลาะกันในทุ่งมาชาันไปน้องทั้งหลายเองในลาห่างกิกัรฉันไม่เรียนกูรานเองตัวเองทหารอะไรไม่ใช่ปัญญามีปัญญาไปทาํอาอะไรอัลลอฮ์ให้มาตั้งเยอะแยะไปหมดใช่หไหมอย่างนี้เป็นัวแสดงว่าปัญญาตรงใช่ไหมใช่ตามที่อลัลลอฮ์สอนใช่ตามที่สันนบีสั่งให้คิดอย่างเงี้ย นบีบอกว่าสามีดูแลภรายาเจ็ดเจ็ดเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆนะหนึ่งหลังจะแต่งงานแล้วรับผิดชอบอะไรนะอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายประจาวันอย่าตบตีภรรยาอย่าด่าภรรยาอย่าหนีภรรยานี่ใครสอนนบีสอนมาดูคอลิฟาสอนอีกสุลต่นอุมัดนะฉันให้เกียรติภรรยาฉันนะเพราะความดีของนางมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งตั้งคันแทนฉัน แล้วก็เลี้ยงลูกแทนฉันข้อที่สามหุงอาหารให้ฉันทานกอเงินฉันนี่แหละจัดอาหารให้มะ ง, งานหนักนนะแล้วก็จัดเสื้อผ้าสวยๆให้ฉันใส่สี่ข้อนี้เป็นความดีที่ฉันไม่เคยทะเลาะกับภรรยาภรรยาบนบ้างอะไรบักเชิญตามสบายที่อิสลามที่ทาปฏิเสธร์อลิฟะได้ได้ความรู้ั้มไม่ได้ปฏิเสธนบี ความรู้เจ็ดข้อมาอยู่ในสมองเลยเดินตามตะวันตกตะวันตกยาฮูดียาฮูดีอยู่อลลอฮ์กรส่งยาฮูดีมาใครจะเชื่ออัลล์กรเชารอซูลขึยาฮูดีมันอยุสามมันยงสามุมี่วันนี้ฉันถ้าเราศรัทธาในอัลกุรอานอันกุรอานเยอะๆเพี่นั้นครับความรู้จะเพิ่มกนนึกถึงอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูลสฮาบานบีเป็นแบบที่ดีที่สุดครับเพี่นั้ครับก่อนจะจบที่ทุกม่าชัดนี่ ลาอีกนิดนึงนะที่ทุ่งมาชัดเองนบีเล่าเองนะฉันเอ้กลัวนะสามที่ขนาดนาบีนะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดยังนึกถึงภาพทุ่งมาชัดเนี่ยจะร่อนเล่าไ้ฟังนี่นะฉันกลัวสามที่ที่ที่หนึ่งตอนช่างตาช่างต้องช่างหมดนะ นม า, า, าศช่างสกาดช่างถือบวชช่งางทำพิธีช่งางทำอุมรอ์ช่งางทำดีกับพ่อแม่ช่างอยู่ดูแลภรรยาช่างดูแลสามีช่างหมดเลยเฮ้ยะท่านนบีกลัวนะช่างนี่จะผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่รู้เรื่องที่สองสถาน ท, ที่ที่สองอยู่ห่างๆกันนะเรื่องที่สองอัลกิตาหมายถึงตอนยื่นสมุดบัญชี อดไอ้การยืดมีอยู่สามท่านะหนึ่งมือขวาสองยืดมือซ้ายอ่ามือขวาเป็นต้องนึกเองมือขวาหมายถึงปลอดปลอดปอดภัยหลายลคนนี้ยืดมือซ้ายปลอดภยัยไหมโอ้โหห้าสบห้าบถ้ายืดข้างหลังนี่เรียบร้อยเลยเห็นยังครับนี่นบีกลัวนะนี่เล่าให้เราฟังฉันกลัวนะสามที่นะที่ที่หนึ่งที่ที่ ต, ตอ น, นช่างจะช่าง ที่ทสองตอนยื่นสมุดบันทึกที่มาลย์าบันทึกทุกวันนี้นะ่ะของเรานี่นะจะยื่นให้ดูให้อ่านเนี่ยบางทียื่นทางขวามือก็ปลอดภยัยยื่นทางซ้ายมือแป <c oughs> ถ้ายื่นทางหลังนี่ร้อยเปอร์เซ็เลยเอง็งไ ม, ไม่ไม่รอดแน่ที่ที่สามพี่น้องครับเสียรอดอะไรเสียรอดสะพานนาบีกลัวมากครับสามที่อัลลอฮฺอัลบาดพี่น้อง ถ้าถามเราน่ะผมกลัวทุกที่นั่ะขนาดนบีนะสามที่แล้วเราวันไปน้องกลัวตอนนอนอยู่ในกูบูเล่โลอากบาตอนฟื้นก็กลัวอีกโลอากบาตอนเรียกมารวมตัวที่ทุ่งแล้ก็กลัวอีกไปน้องแค่ยืนในต้นหน้าเราก็กลัวอีกเชินบีไม่กลัวนบีกลัวสามที่เห็นไหมฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามนบีก็ต้องกลัวสามที่เหมือนกันนะด้วยแกลัวมากกว่านั้นกว่าเชิญนะครับนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่ง เครื่องหมายวันเกียร์มากเนี่ยก่อนจะจบนะพี่น้องครับคนจะแข่งกันสร้างอาคารสูงๆนี่นบีทํานายไว้จริงไหมจริงข้อที่สองพี่น้องจะทะเลาะกันจริงป่าวเดี๋ยวนี้มีแล้วนะหเห็นแล้วนะทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมาคนที่ถูกด่าวันนั่งเงียบดีกว่านะระวังนะวันทเลาะข้อที่สาพี่น้องครับใบตุ่ลอดจะถูกเผา เพราะอันธาริสเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยยางงี้เลยแล้วเนี่ยใบยรุลลอจะถูกเผาครั้งสุดท้ายเลยนะก่อนมังกี亚马มมนะคนที่เผามี็นคนดำสองคนตัวเตี้ยๆในวิลล่าไปฟังเลยนะแล้วก็แข่งกันสร้างอาคารแข่งเรื่องความรวยเอม่ได้แข่งอิมานถ้าแข่งอิมานเราแข่งมัมมอสเยตจะมาล่ะใครอ่านคุณอ่านซิรุ่นล่อเยอะใช่ไหมไม่ไม่เคยแข่งอ่ะแต่แข่งสร้างอาคารอ่ะ และสุดท้ายอะไรนะมั้ปฏิล้ถูกเผาแล้วก็นองเลือดกันเองพี่น้องและศาสนาคนจะเข้าศาสนาน้อยมากน้อยมากน้อยมากท่านมีลูกหลานเรียนศาสนาเยอะเยอะนริสกีอัลลอฮให้อยู่แล้วอัลลแต่ให้ดูความกำหนดอยู่แล้วพี่น้องแต่พยายามนิดนึงก็ให้มันเข้ากับลกที่อัลลอฮสอนก็มีรางวัลอบแทนกับอัลลอ سبحان الله وما ح د ك سلام إ أن أستقبلك و إ ي ك و ص ل على محمد ع ل ى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ا ل ع ا